พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาความรู้นแขนงหนึน่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับจิตใจของพวกเราถ้าเราอยากจะรู้เรื่องจิตใจของเราเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่ศึกษาเพียงสักแต่ว่าศึกษาเชิญฟังเทศก็ฟังไปแต่ไม่รู้เรื่องของธรรมที่เราได้ยินได้ฟังว่ามีความหมายว่าอย่างไรเพราะถ้าไม่เข้าใจความหมายของธรรมที่เราศึกษา ที่เราได้ยินเราจะไม่สามารถเอามาทำประโยชน์ให้แก่จิตใจของพวกเราได้จิตใจของพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตารางที่มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกัน คำแพงด้านที่หนึ่งเรียกว่าเกิดคำแพงด้านที่สองเรียกว่าแก่คำแพงด้านที่สามเรียกว่าเจ็บคำแพงด้านที่สี่เรียกว่าตายนี่คือคุกตารางที่จิตใจของพวกเราตอนนี้กำลังติดอยู่ในคุกอันนี้พวกเราติดอยู่กับการเกิด เกิดแล้วก็มาแกมาเจ็บมาตายพอตายแล้วเราก็กลับมาเกิดใหม่อีกกลับมาแกมาเจ็บมาตายนี่คือคุกตารางของจิตใจของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กันว่าเรากำลังติดอยู่เราไม่รู้ว่าจิตใจเป็นอะไรเป็นใครเรารู้เพียงแต่ร่างกาย เราไปคิดว่าร่างกายเป็นเราแล้วพอร่างกายตายไปเราคิดว่าเราก็ตายไปกับร่างกายแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจที่มาติดอยู่กับร่างกายมาติดอยู่กับร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วพอร่างกายตายไป เราก็ไปติดกับร่างกายอันใหม่ต่อไปเกิดใหม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็ บ, ไ, ไ, ป ไ, ป ไ, ปจบไปตายใหม่แล้วก็ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ทำอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานและจะทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาจนเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีไว้เพื่ออะไรสอนเราเพื่ออะไร <c oughs> ก็สอนเราเพื่อให้เราได้ดุดออกจากคุกตาราง แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้เองนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นเหมือนคนที่ติดคุกติดตารางเหมือนพวกเราแต่พระพุทธเจ้าฉลาดรูด้จักวิธีปีนออกจากกำแพงของคุกตารางที่มี บแพงอยู่สี่ด้านคือเกิดแก่เจ็บตายออมีพระพุทธเจ้าเป็นนักโทษคนแรกของคุกตารางอันนี้ที่สามารถปีนออกจากตารางจากคุกอันนี้ได้ไม่ต้องติดคุกไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่พวกเรากำลังติดอยู่กันนี้ออพระพุทธเจ้า เป็นนักโทษที่ฉลาดที่ศึกษาดูวิธีว่าจะออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างไรเราก็สามารถทำได้พระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปหลังจากที่พระองค์ได้ออกจากคุกไปแล้วพระองค์ก็ส่งส่ง ส่งความความรู้อันนี้มาให้พวกเราที่ยังติดคุกอยู่เหมือนส่งหนังสือมาให้พวกเราวิธีออกจากคุกถ้าพวกเราอยากจะออกจากคุกของการเกิดแก่เจ็บตายก็ให้ทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้เรากระทำแล้ว เราก็จะออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่แหละคือธรรมะคำสอนของพพระพุทธเจ้าคือวิธีที่จะออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายนี้เองถ้าเราอยากจะหลีจากการเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปหลังจากที่ร่างกายที่เรามีอยู่ในขณะนี้ตายไปเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปก็ได้ถ้าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคือเรื่องของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคู่มือของการแหกคุกแหกตารางเจ็ดดูถ้าเราส่งคู่มือให้คนที่อยู่ติดคุกติดตารางแล้วเขาสามารถหนีออกจากคุกได้เขาจะอยู่ในคุกหรือไม่ไม่มีใครอยากจะอยู่ในคุกกันถ้ามีใครมาเสนอวิธีจะช่วยเขาให้ออกจากคุกตารางได้ อย่างเมื่อไม่นานนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสก็มีการใช้เฮลิคอปเตอร์มาบินมารับนักโทษที่อยู่ในคุกใช้เครื่องบินนี่ก็วิธีที่จะหนีออกจากคุกเนี่ยพอมีใครมาช่วยนี้คนที่ติดคุกนี่รีบทำตามที่เขาบอกเลยเขาบอกให้เกาะเชือกแล้วเดี๋ยวเขาจะลากขึ้นเครื่องห่อไปก็ทำตาม เขาก็ได้ออกจากคุกไปอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้จักวิธีที่จะทำให้พวกเราได้ออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำาๆ ซ, ซากรากอย่างที่พวกเราเป็นอยู่กันในขณะนี้การเกิดแก่เจ็บตายของเรานี้ไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วน้ำตาที่เราหลั่ง ในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดนี่ถ้ามารวมกันแล้วมันมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกี่ครั้งถึงจะได้น้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรชานี้น้ำตาเราถึงขวดถึงขวดน้ำหรื อ, อยังได้ประมาณสักครึ่งลิตรหรือไม่คิดดูจะต้องกลับมาเกิดมาล่องห้กี่ครั้ง ถึงจะได้น้ำตามากเท่ามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราที่เป็นกันมาและจะเป็นต่อไปถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือถ้าเราพบแล้วเราไม่สนใจที่จะศึกษาให้เกิดความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอะไร ชาวาพุทธเราในประเทศไทยนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจกับการศึกษาเพราะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทำแต่วิธีที่เขาสอนให้ทําโดยที่ไม่เข้าใจถึงเหตุผลว่าทําไปทําไมทําแล้วจะได้อะไรแล้วก็เหตุผลที่คิดว่าจะได้จากการกระทําก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่แท้จริง ส่นใหญก็คิดว่าทําบุญแล้วจะได้สบายใจจะได้ร่ํารวยจะได้ไปสวรรค์ก็ยังติดอยู่ในคุกอยู่สวรรค์ก็ยังเป็นคุกคุกเบาคุกที่มีโทษน้อยคุกมีหลายหลายระดับคุกที่มีโทษหนักก็นรกคุกที่มีโทษเบาก็สวรรค์ ทุกที่เป็นคุกกำการก็โลกของมนุษย์อันนี้ก็ยังเป็นคุกอยู่ทำบุญทำทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำไปพอหอมปากหอมพอไม่ได้ทำแบบตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ทำทำพอที่จะ ทำให้ใจมีความสุขบ้างแต่ก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่ทำตามคำสอนของพระเจ้าเต็มที่เต็มร้อยนี่ก็คือพวกนัก บ, บวชทั้งหลายพวกพระป่าเนี่ยพระป่ า, ปานี่แหละเป็นพวกที่เราเรียกว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือเอาจริงเอาจริงเอาตามตำรับตำราทุกประการครบร้อยสอนให้ท ส, ส, สอนให้สอนให้ทำร้อยข้อก็ทำครบทั้งร้อยข้อไม่ใช่ทำเพียงสี่ห้าข้อห้าหกข้อพอหอมปากหอมคอผู้ที่ศึกษาพราะธรรมคำสอนแล้วเกิดความเข้าใจว่าจะต้อง ทำอย่างไรก็จะรู้ว่าต้องทำแบบเต็มที่เท่านั้นถ้าอยากจะออกจากคุกของการเกิดแก่เจ็บตายคนที่เป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่นี่เขายังไม่รู้ว่าเขาเป็นนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายเขากลับไปเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้ดี พอเกิดมาแล้วจะได้ดีความสุขคนที่มาเกิดนี่ดีใจกันใช่ไหมจะลองวันเกิดกันอยู่เรื่อยๆ Happy Birthday พอคิดว่าเกิดแล้วแฮปปี้เกิดแล้วมีความสุขเพราะว่ามองแต่ด้านเดียวการมาเกิดก็มีความสุขแต่มันก็มีอีกด้านหนึ่งคือความทุกข์ ที่มองไม่มองกันมาเห็นก็ตอนที่แก่ตอนที่เจ็บตอนที่ตายจากกันตอนนั้นก็เป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ร้อ ง, องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจตีโพยตีพายทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทําไมต้องตายจากกัน ก็นี่แหละเป็นคุกตารางที่เราเลือกเข้ามาอยู่กันเองเราเลือกเข้ามาอยู่ในคุกอันนี้เพราะเราอยากจะเกิดกันเพราะเราคิดว่าเกิดแล้วเราจะได้มีความสุขกันหาความสุขจากการมีร่างกายพอเราได้ร่างกายเราก็เลี้ยงดูร่างกายให้มันเจริญเติบโตแล้วเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุข จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็สนุกสนานกันไปใ น, ในช่วงที่ร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงนี่ไม่มีใครคิดว่ามีความทุกข์อยู่ในโลกนี้เลยทุกคนนี่คิดว่าเป็นเหมือน เ, อเป็นเป็นสวรรค์มีความสุขดูเด็กดูคนหนุ่มคนสาวคนที่เขาประสบความําเร็กต่างๆ เรียนหนังสือจบได้งานทำมีเงินเดือนอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ซื้อบ้านก็ซื้อได้ซื้อรถก็ซื้อได้อยากจะมีครอบครัวก็มีได้มีพามีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดาโอ้ยมีแต่ความสุขทั้งนั้นวันที่ไม่ต้องทำงานก็ไปเที่ยวกันไปฮอลิเดดกัน ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นอเป็นเอ่อเป็นอะไรเป็นเครื่องจดจำเป็นอนุสรณ์นำลึกถึงเหตุการณ์ของความสุขต่างๆเห็นไหมเวลาถ่ายรูปมีใครหน้าบึ้งมั้ยมีแต่ทุกคนยิ้มแฮปปี้ชีสเออนี่คือ ความคิดของคนที่ไม่ฉลาดคิดแต่ส่วนที่ดีของชีวิตแล้วกลับไปว่าคนที่ไปคิดส่วนที่ไม่ดีของชีวิตว่าเป็นคนคิดในแง่าลบคนที่คนไหนไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็าว่าคิดอยงนี้ไม่ดีคิดแล้วทำให้เศร้าโศกเสียใจห้ามคิดก็เรียกว่าเป็นคนคิด คิดไม่เป็นคิดไม่ฉลาดคนฉลาดต้องมองเห็นโลกที่สดใสเบิกบานโลกที่เต็มไปด้วยความสุขไม่ให้คิดถึงโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายโลกที่เต็มไปด้วยการฆ่าฟันกันไม่คิดถึงโลกอันนี้ทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่ก็อยู่โลกใบเดียวกันแต่ให้คิดแต่ เรื่องที่ดีเรื่องที่สดใสเบิกบานคิดแล้วมีความสุขได้พบกับสิ่งเหล่านี้แล้วมีความสุขอันนี้แหละจึงทำให้คนดีใจกับการมาเกิดกันใครได้ลูกนี่เลี้ยงฉลองวันเกิดให้ลูกกันลูกต่อไปลูกจะมีความสุขเหมือนพ่อเหมือนแม่พ่ อ, อแม่ก็มีความสุขจากการทำงานทำการเรียนหนังสือ จบมามีวิชาความรู้ก็ไปทํางานทําการมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมอยากจะทําอะไรให้มีความสุขก็สามารถทําได้อันนี้จึงทําให้มองไม่เห็นว่าการเกิดนี้นอกจากมันจะมีความสุขแล้วมันจะมีความทุกข์ตามมาต่อไปในอนาคตนะ ตอนที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บส่วนใหญ่คนแก่คนเจ็บคนตายมักจะไม่ได้ออกมาอยู่กับพวกคนหนุ่มคนสาวกันพวกคนหนุ่มคนสาวเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าต่อไปตัวเขาเองร่างกายเขาเองก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเพราะคนแก่ส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ในบ้านกันออกมาข้างนอกไม่ไหวคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่ตามโรงพยาบาล คนตายก็อยู่ในวัดกันคนตายเขาก็ส่งไปวัดส่งไปเผาส่งไปฝังกันคนหนุ่มคนสาวคนเด็กยยไม่ค่อยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เลยไม่คิดว่ามีคนแก่คนเจ็บคนตายอยู่ในโลกนี้ไม่คิดว่าตัวเขาเองจะแก่จะเจ็บจะตายเหมือนเหมือน เหมือนกับคนแก่คนเจ็บคนตายที่เขาเห็นในบ้านในบ้านทุกคนจะต้องมีคนแก่คนเจ็บคนตายอันนี้ทำให้เขามองโลกไปในทางที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเห็นโลกว่านี่เป็นโลกที่น่าอยู่น่ามาเกิดมาเกิดแล้วจะมีความสุขเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ย ตอนที่เกิดมาพ่อของพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้พระพุทธเจ้าออกไปนอกวังให้อยู่ในวังเพราะถ้าออกไปนอกวังนี้เดี๋ยวจะต้องไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายในวังก็ห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังคนที่จะเข้าไปในวังรับใช้พระพุทธเจ้าชายศิลทัศน์นี้ต้องเป็นคนหน้าตาสวยงามหล่อเหลาเอรูปร่างดีแข็งแรงเอ มีกําลังวังชาอสามารถทําอะไรอต่างๆสแสดงอะไรได้สแสดงมีการสแสดงอะไรต่างๆมีแล้วเห็นแต่ความสุขของการมีร่างกายกันแต่วันหนึ่งพระพุทธเจ้า ก, ก็อยากจะรู้ว่าข้างนอกกําแพงมีอะไรก็เลยหนีออกไปอพ่อไม่ให้ออกพ่อห้ามออก ก็เลยต้องหนีให้คนสนิทพาออกไปพอออกไปเดินชักพักก็เห็นคนแก่เดินหลังคอมพระพุทธเจ้าก็ถามว่าคนนี้เป็นอะไรเหรอทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้คนสนิทก็บอกว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละอยู่ไป น, นานเข้าอายุมากเข้าเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่แบบนี้แหละ พระ อ, องค์เอง ต, อต่อไปก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันเหรอท่านก็ถามเหรอเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยเอนไม่เคยคิดเลยไม่เคยรู้เลอพอรู้ว่าต่อไปตัวเองจะต้องแก่นี่ใจไม่ค่อยสบายแล้วแล้วเดินไปสักพักก็เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่หน้าบ้านน้องอดควนทางโอ๊ยโอ๊ยปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ ท่านก็นถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไรเลยถึงต้องมานอนล้องอย่างนี้เขาเป็นคนไม่สบายเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งกายของเขาของคนทุกคนต้องเป็นอย่างนี้อยู่ไปพออายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นจนกระทั่งไม่สามารถลุกขึ้นมาทําอะไรได้ต้องนอนต้องนอนล้องอดควนขางไปอย่างนี้น พระ อ, องค์ก็เหมือนกันต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนี้ท่านก็ตกใจแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เหรอตอนนี้เราแข็งแรงเราจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเชื่อเถอะเดี๋ยวก็เป็นอยู่ไปไม่นานเดี๋ยวพอแก่ลงไปก็จะเป็นอย่างนี้พอรู้ว่าพระ อ, องค์จะต้องเป็นอย่างนี้ยิ่งทำให้พระ อ, องค์ยิ่งไม่สบายใจก็หลงกับความสุขที่ขณะที่อยู่ในวงังความสุขเหล่านั้นหายไปหมดเลย เริ่มเห็นความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาพอเดินต่อไปสักระยะหนึ่งก็เห็นมีขบวนคนแบกคนตายแบกศพไปทํไปไปทําชาปนากิจไปเผาหรือไปฝังหรือไปทิ้งไว้ในป่าชา้าก็แล้วแต่ก็ถามว่านี่เขาทาอะไรกันก็ว่าเขาพาคนตายไปป่าชา้า คนตายเป็นอย่างไรก็เป็นคนที่ไม่หายใจแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วร่างกายทิ้งไม่เฉยๆต่อไปก็จะต้องเน่าเปื่อยะถ้าไม่อาถ้าถ้าไม่อยากให้มันเน่าเปื่อยก็ต้องเอาไปเผาหรือเอาไปฝังดินนี่คือจุดสุดท้ายของร่างกายของคนเราทุกคนแม้แต่ร่างกายของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นะะ พอพระองค์เห็นความจริงว่าต่อไปร่างกายของท่านเป็นอย่างนี้ท่านเลยหมดความสุขเลยความสุขที่เคยได้รับจากการที่มีอยู่ในวังนี้มันหายไปหมดเลยเมื่อคิดถึงความทุกข์ที่จะต้องตามมาต่อไปก็เลยเดินต่อไปเดินกลับวังก่อนจะกลับเข้าวังก็เห็นนักบวชเห็นนักบวชก็ถามว่านี่คนนี้เขาทาอะไรเขาทำไม แต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นข้ อ, อ, ขอนี้ก็เป็นนักบวชก็เป็นพวกที่จะหาวิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันว่าทําอย่างไรไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายหรือถ้าแก่เจ็บตายก็ไม่ต้องทุกข์กับมันอพอได้ยินคาอย่างนี้ก็ทําให้พระองค์รู้สึกใจดีขึ้นว่าอ๋อ มีทางที่จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอต่ต้องหากันตอนนี้ยังหากันไม่เจออันนี้ก็คือเรื่องของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะที่ได้เห็นหูตาสว่างขึ้นว่าโลกใบนี้การมาเกิดนี้ไม่ใช่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวสุขแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะทุกข์ด้วยกันทุกคนที่หลังจากวันนั้นไปแล้ว ความหลงละเลงกับความสุขของการเป็นหนุ่มของพระองค์นี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีความหมายเสียแล้วจืดชืดไปหมดไม่เพราะทุกครั้งมันนึกถึงคนแก่คนเจ็บคนตายทีไรมันก็ทำให้ใจหดหูเศร้าหมองขึ้นมาไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะ หาความสุขจากงานเลี้ยงจากงานบันเทิงต่างๆาใครมีไม้ช่วยเอาไปไล่มันหน่อยได้มมีใครอาสาสมัครป้องไปหยิบไม้หรืออะไรไปไล่มันหน่อยไหมมันจะได้ไม่ใหม้มันเดี๋ยวมันจะไม่มันจะไม่กลัวถ้เ า, เาเดี๋ยวมันจะมารบกวน เป็นสัตว์ป่าแต่ถ้าเราไม่ไปคอยอคอยทำให้มันกลัวเรามันจะมาะเชื่องแล้วมันจะมาดือ้อจะทำอะไรเสียหายได้เลยต้องส่งสัญญาณให้มันรู้ว่าไม่ยินดีต้อนรับมันจะได้ไม่มายุ่ง อันนี้แหละทาให้พระพุทธเจ้าหลังจากวันนั้นแล้วความคิดของโลกนิดเปลี่ยนไปเกยคิดว่าจะอยู่ไปอย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีไม่มีความทุกข์ตามมากลายมปนรู้ว่าต่อไปจะต้องเจอความทุกข์จะต้องเจอข้อสอบแล้วก็แต่มีทางที่จะไม่มีทางที่จะ ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าไปอยู่แบบนักบวชก็เลยทำให้พระองค์คิดอยู่ว่าอยากจะไปอยู่แบบนักบวชเพราะพระองค์เคยสัมผัสกับความสุขที่ได้จากการอยู่คนเดียวการที่ทำใจให้สงบตอนที่พระองค์เป็นเด็กนี่ พระ อ, องค์เคยมีอยู่วันหนึ่งที่อยู่ตามลาพังอยู่ใต้โคนต้นไม้พวกข้าราชบริพานที่เคยห้อมล้อมเคยดูแลพอดีต้องไปทํากิจอย่างอื่นก็เลยทิ้งให้พระ อ, องค์นั่งอยู่ประทับอยู่ตามลาพังอพอพระองค์จิตของพระ อ, องค์อยู่ตามลาพังจิตนั้นก็เข้าสู่ความสงบ เพราะเคยเข้าสู่ความสงบมาในอดีตชาติจิตถ้าไม่มีอะไรมารบกวนเะนี่ยถ้าอยู่คนเดียวมันก็ถ้ามันเคยเข้าสู่ความสงบมันก็จะกลับเข้าสู่ความสงบ ก, ก็เลยทำให้เห็นเห็นความสุขที่เกิดจากการอยู่คนเดียวความสุขที่ไม่ต้องมีอะไรจึง ท, ทำให้พระองค์นี้มีความคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็น ทางหนึ่งที่จะทำให้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจะไม่ต้องทุกข์กับมันก็คือทำใจให้สงบว่าเวลาใจสงบนี้มันไม่เดือดร้อนมันไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเวลาใจไม่สงบนี้ใจมาเกาะติดกับร่างกายมารับรู้เรื่องของร่างกายรับรู้ความเจ็บความปวดของร่างกาย พอรับรู้แล้วใจก็เจ็บไปกับร่างกายด้วยแต่พอเข้าไปในสมาธิเข้าสู่ความสงบใจนี้จะแยกออกจากร่างกายจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายชั่วคราวตอนนั้นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ไม่รู้สึกเจ็บในใจใจจะสงบจะเย็นจะสบายเพรองก็เลยเ อ, อเห็นว่า วิถีทางของนักบวชนี่เป็นทางที่จะช่วยระงับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ต้องไปอยู่คนเดียวต้องไปอยู่แบบนักบวชถ้าอยู่ในวังนี้มันไม่มีเวลาว่างพอเพราะในชีวิตของในวงังหรือของผู้ครองเรือนนี้มันมีหน้าที่การงานต้องทำกันทุกคน ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวอะไรต่างๆวันวันหนึ่งนี้แทบจะไม่มีเวลาว่างอยู่คนเดียวได้ถ้าอยากจะมีเวลาว่างเพื่อทำใจให้สงบก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชเพราะนักบวชนี่เขาจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครเขาจะไปอยู่ในปา่าในเขาคนเดียวจะออกอยากมาเข้ามาในหมู่บ้านก็ เวลามาขออาหารมาบินตะาทัท้นนั้นเองถ้าไม่มีกิจธุระจำเป็นเขาจะไม่มาเข้ามาในเมืองเขาไปหาความสงบกันอันนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เลยเริ่มเห็นช่องทางของการที่จะหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายอย่างน้อยก็เห็นว่าถ้าทำใจให้สงบได้ ตอนที่แก่ตอนที่เจ็บตอนที่ตายนี้จะไม่ต้องทุกข์กับมันต้องไม่ทุกข์กับร่างกายแต่ถ้าออกจากสมาธิมาเมื่อไหร่ก็ยังต้องทุกข์อยู่ยังไม่รู้จักวิธีว่าจะทาไงให้ไม่ทุกข์กับตอนที่ไม่ได้เข้าไปในสมาธิก็เลยศึกษาค้นคว้าไปมาตอนในที่สุดก็สรงค้นพบว่าความทุกข์ของใจ ที่เกี่ยวกับร่างกายก็เพราะว่าใจไปหลงรักร่างกายไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย <c ari> ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละที่ทำให้ใจทุกเวลาที่ใจเห็นร่างกายแก่เห็นร่างกายเจ็บเห็นร่างกายตายแต่เวลาเข้าสมาธินี้ตอนนั้นความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันหยุดทำงานชั่วคราว ก็เลยไม่รู้สึกกับความความทุกข์ที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเห็นความแก่ความเจ็บความตายใจก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะความอยากมันกลับมาทำงานเวลาออกจากสมาธินี้ใจเริ่มคิดพอเริ่มคิดก็จะคิดไปในทางความอยากเห็นเห็นร่างกายแก่ก็ไม่อยากแก่ เห็นร่างกายเจ็บก็ไม่อยากเจ็บเห็นร่างกายตายก็ไม่อยากตายเพราะเกิดความไม่อยากเหล่านี้ขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่พระองค์ก็เลยได้ข้อสรุปว่าถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็เลยใช้สติหยุดมันเวลาเห็นความแก่ก็เฉยเฉยปล่อยมันแก่ไปเพราะรู้ว่าห้ามมันไม่ได้ ห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวเราของเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เมื่อมันห้ามมันไม่ได้ไปอยากมันก็จะทุกไปเปล่าๆอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกถ้ายอมให้มันแก่มันเจ็บมันตายใจจะไม่ทุกเนี่ยพระองค์ก็เลย แก้ปัญหาความทุกข์ที่เกี่ยวกับการแก่การเจ็บการตายได้ส่วนการมาเกิดนี้พระพุทธเจ้าก็สงคนพบว่าที่ก็มาเกิดกันมันมีร่างกายกันก็เกิดจากความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่อยากหาความสุขจากการมีร่างกายเพราะเวลามีร่างกายเราก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายที่เราจะได้ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่เองเวลาเราเห็นอะไรใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมา เ, ออเห็นภาพยนตร์คนดูภาพยนตร์เสียงเงินกันไม่รู้กี่กี่สตางยินดีเสียเพราะเวลาได้ดูภาพยนต์นะมันมีความสุขขึ้นมาเวลาไปนั่งฟังเพลงฟังแล้วมีความสุขขึ้นมา ยิ่งถ้านั่งฟังเพลงกินเหล้าด้วยสูบบุหรี่ด้วยยิ่งมีความสุขไงอันนี้ก็เลยทำให้ต้องมามีร่างกายเพราะใจถ้าไม่มีร่างกายมันมันหาความสุขไม่ได้ใจที่ไม่เคยถูกสอนให้หาความสุขอีกแบบหนึ่งนี้จะต้องมีร่างกายต้องใช้ร่างกาย พวกเราที่มาเกิดนี้ส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเราไม่เคยรู้จักวิธีหาความสุขแบบไม่มีร่างกายกันเรรู้จักแต่วิธีหาความสุขโดยมีร่างกายเราก็เลยต้องมาเกิดมามีร่างกายกันพระพุทธเจ้าเลยได้ข้อสรุปว่าถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายหยุดความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย หยุดกามาตานหาทุกเราพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี้มีกามาตันหานันนมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดตะพาอยากดูละครอยากฟังเพลงฟังอะไรอยากกินขนมอยากดมน้ำหอมสวยสน้ำหอมที่มีกลิ่นหอมๆ อ, อยากจะกินของที่มีความมันความหวานความเค็ม อยากจะสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่สัมผัสแล้วรู้สึกมีความสุขเช่นสัมผัสกับห้องแอร์ถ้าเข้าไปในห้องแอร์แล้วอากาศมันเย็นมันสบายหรือสัมผัสกับร่างกายของคนนั่นคนนี้เวลาได้แตะต้องเนื้อกันนี่รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมาแตะต้องเนื้อแฟนนี่ร่างกายของแฟนอันนี้เป็นความอยาก ที่ทำให้เราต้องมามีร่างกายกันถ้าไม่อยากจะมีร่างกายก็ต้องเลิกใช้ความใช้ร่างกายทาตามความอยากเหล่านี้ถ้าอยากจะมีความสุขก็ไปนั่งทำนั่งสมาธิทำใจให้สงบแทนเพราะเวลาใจสงบก็มีความสุขได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากมีความสุขอยู่ในตัว เพียงแต่ควบคุมความคิดควบคุมความอยากให้มันสงบตัวลงเท่านั้นเองแต่ถ้าความสุขทางร่างกายนี้มันต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมันต้องมีเงินที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากจะอยากจะได้ <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีเงินหรือร่างกายไม่แข็งแรงก็ทำไม่ได้ <Yeah. S 1> แต่ความสุขที่เกิดจากการหยุดความคิดหยุดความอยากนี้ เราไม่ต้องใช้ร่างกา ย, ยานั้นถ้าเรามาหัดสร้างความสุขแบบนี้กันต่อไปเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้หยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เออยู่แบบนัก บ, บวชนัก บ, บวชนี้ก็ไม่มีเครื่องบันเทิงเหมือนกับนักนัก เหมือนกับผู้คลองเรือนอันนี้ต้องเป็นนักบวชที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าสมัยนี้นักบวชที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่ไม่ต่างจากผู้คลองเรือนมีทีวีมีอะไรอยู่ในกุฏิมีเครื่องปรับอากาศมีเครื่องบันเทิงต่างๆก็ไม่ต่างกันไม่หยุดพามยา ก, กัน เพราะว่าไม่มีกาลังสู้ความอยากผู้ที่จะหยุดความอยากนี้ต้องมีกำลังคือสติมีสมาธิมีปัญญาถึงจะสามารถสู้ความอยากได้การจะมีสติมีสมาธิ ม, ม, าธมีปัญญาก็ต้องไปอยู่ที่ไกลจากความเจริญไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต้องไปอยู่ในป่าในเขา ถ้าจะอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นแล้วแล้วถูกมันบุกถูกมันเหยียบย่ำสู้มันไม่ไหวตาก็เห็นรูปเสียงหูก็ได้ยินเสียงพอได้ยินเห็นรูปได้ยินเสียงก็อยากขึ้นมาทันทีสู้ความอยากไม่ไหวผู้ที่จะเอาชนะความอยากได้ต้องไปอยู่ที่ไกลๆอยู่ที่ไกลจากรูปเสียงกลิ่นร็ตต่างๆเพื่อที่จะได้ไปสร้างสติ สร้างกำลังที่จะมาหยุดความอยากหยุดความคิดถ้าอยู่ใกล้แล้วมันไม่มีกำลังมันจะหยุดความคิดไม่ได้ความคิดมันจะคิดแต่หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเสพอยู่เรื่อยๆเลยต้องบังคับตัวเองให้ไปอยู่ที่ไกลๆไปปรีกวิเวกไปอยู่ที่สงบสงัดจากรูปสีงกลดผลพภะเช่นอยู่ในป่านในเขา รูปเสียงก็บรถในป่าในเขานี้ไม่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากเสียงใบไม้เสียงลมพัดเสียงนกร้องนี่ไม่ฟังแล้วไม่เกิดความอยากไม่เหมือนกับได้ยินเสียงเพลงพอได้ยินเสียงเพลงก็เกิดความอยากขึ้นมาอพอเห็นรูปต่างๆเห็นพระเห็นรูปคนนั้นคนนี้เห็นสินค้าอันนั้นเห็นนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมา แต่ถ้าเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นท้องฟ้าเห็นนกเห็นกานี่เห็นแล้วก็เฉยๆก็สามารถที่จะควบคุมใจได้นี่อันนี้คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ว่าถ้าอยู่ในวังต่อไปก็จะต้องติดคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าอยากจะออกจากคุกตารางก็ต้องไปบวชพอมีจังหวะมีเวลาที่ต้องไปทั้งก็ไม่อยากไปแต่ในที่สุดก็เหมือนถูกถูกไล่ไปเหตุการณ์ไล่ไปเพราะถ้าอยู่ถ้าอยู่ต่อไปจะอยู่จะออกไปไม่ได้คือเหตุการณ์ที่ไล่ให้พวกตาเจ้าไปบวชคืออะไรก็คือการเกิดของลูกชายพอได้ยินว่า พระม่เหสีได้คลอดลูกออกมาพระพุทธเจ้าก็รองว่าบ่วงลาหุนบ่วงเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าลูกนี้เป็นเหมือนกับสิ่งที่พ่อแม่รักมากที่สุดห่วงที่สุดเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะมีความสัมพันธ์กันแนบนน่นจะทำให้จากกันไม่ได้เพราะงั้นเลยต้องตัดสินใจในคืนนั้นว่า ถ้าจะไปต้องไปคืนนี้แล้วถ้าอยู่ต่อไปนี้จะไม่มีกำลังที่จะไปได้ก็เลยตัดสินใจต้องไปและตัดสินใจไม่ยอมไปดูหน้าลูกด้วยถ้าไปดูหน้าลูกแล้วเดี๋ยวก็เกิดความผูกพันขึ้นมาก็เลยต้องหนีไปในคืนนั้นถ้าอยู่ต่อไปก็จะถูกบ่วงลัดทำให้ไม่สามารถเน็ดลอดออกไปได้ อันนี้คือการตัดสินใจของพระพุทธเจ้าท่านก็รอเวลาคือกล้าก้ากลัวกลัวอยากใจหนึ่งก็อยากจะไปใจหนึ่งก็ยางยังอยากจะอยู่ห้าสิบห้าสิบพอมีเหตุการณ์อันนี้ก็เลยทําให้กลายเป็นหกสิบสี่สิบไปใจที่จะไปก็มีมากกว่าใจที่จะอยู่ก็เลยตัดสินใจไปได้ะ ต้องมีเหตุการณ์มาบังคับก่อนเราส่วนใหญ่นี่ที่มาบวชกันนี่ต้องมีเหตุการณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาบังคับให้ไปกันถ้าไม่มีแล้วมักจะไม่ไปกันเพราะมันมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับคนที่เราอยู่ด้วยกันเกิดมานี่เราอยู่ด้วยกันมาด้วยกันมันก็มีความผูกพันกันมีความรักกันมีความห่วงใยกันพออยู่ดีๆจะให้ แยกออกจากกานันนี้ถ้าไม่มีเหตุเหตุการณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนี่จะแยกกันไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ก็เหมือนกันเดิมทีก็ไม่อยากจะไปใจหนึ่งก็อยากจะไปแต่ใจหนึ่งก็ไม่อยากจะไปแต่พอมีเหตุการณ์คือมีลูกขึ้นมาเท่านั้นก็เลยต้องตัดสินใจ ว่าถ้าไม่ไปก็ไปไม่ต่อไปก็ไปไม่ได้ถ้าถ้าไปก็ต้องไปวันนี้ก็เลยตัดสินใจต้องไปแล้วไม่บอกใครถ้าบอกแล้วเดี๋ยวก็ถูกเขาห้ามหมดคนที่จะไปบวชนี่บางทีต้องไปแบบไม่บอกใครถ้าบอกแล้วเขาก็จะามา ยับยั้งทันทีอันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยได้ออกบวชเพราะถูกบังคับให้ตัดสินใจแล้วก็ทรงคิดว่าถ้าอยู่ต่อไปก็ยังจะต้องติดคุกในคุกของการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปถ้าออกไปนี่อาจจะมีโอกาสที่จะพบทางออกจากคุกแก่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็เลยตัดสิน พระไถในคืนนั้นให้คนสนิท ต, ตามไปเอาม้ากับนั่งม้าออกไปที่ชาญเมืองเขตเมืองแล้วก็ลงแล้วก็ให้คนสนิทเอาม้ากลับเข้าวังไปตอนเองก็เดินเดินออกไปะระหว่างทานก็ไปเจอขอทานขอทานเห็นเสื้อผ้าของเจ้าชายสิทธัตถว่าสวยงามก็อยากได้ ขอแรกชุดขอทานกับชุดของเจ้าชายพระพุทธเจ้ากาลังจะไปเป็นขอทานก็เลยยินดีก็เลยยินดีแรกเอาชุดของเจ้าชายไปเอาชุดขอทานมาให้เราเราจะได้ไม่มีใครม า, ามาถามว่าแต่งชุดนี้ได้อย่างไรเป็นใครมาจากที่ไหนดีใจที่ได้ชุดขอทานขอทานก็ดีใจที่ได้ชุดเจ้าชายไปสวมใส่ ขอทานจริงอะัะขอทานปลอมเป็นอย่างเงี้ยขอทานปลอมนี่ยังอยากรวยอยู่ขอทานจริงนี่ไม่อยากรวยอยากจะจนจริงๆริอันนี้หละคือวิธีอยู่ของพระพุทธเจ้าตอนที่ปีพระมาขอมีคนมาขอบวชเป็นพระกับท่านท่านก็สอนให้อยู่แบบนี้อยู่แบบขอทานให้อยู่มีไม่ให้มีสมบัติที่มีค่าอะไร เสื้อผ้าก็ให้ไปเก็บผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้ามาใส่เสื้อผ้าที่ห่อศพผ้าที่ห่อศพที่เราเรียกว่าผ้าบังสกุลผ้าป่าผ้าป่าก็คือผ้าที่หาในป่าชานั่นเองผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าสมัยพุทธเจ้านี้คนตายเขาไม่เผาไม่ฝังเขาเอาผ้าพันพันแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในวในป่าครับ ต่อไปศพมันก็จะเน่าเปื่อยแห้งกรอบไปผ้าก็ยังดีอยู่พวกนักบวชที่ต้องการจะมีผ้าหม่มผ้าใช้ก็ไปเก็บผ้าเหล่านี้มาซักย้อมมาตัดมาเย็บเป็นจีวรนี่คือการอยู่ของนักบวชจริงๆต้องอยู่แบบขอทานจริงๆไม่ให้ใช้ของแพงๆไม่ให้ใช้ของดีๆ ไม่เหมือนนักบวชสมัยนี้บางลูกต้องมีผ้าไหมผ้าแพรผ้าสิ้นผ้ามาจากประเทศอิตาลีตามที่ได้ยินข่าวนะอันนี้ไม่ใช่เป็นนักบวชจริงไม่ใช่ขอทานจริงถ้าเขาทานจริงนี่ต้องชอบของของใช้แล้วของของไม่มีคุณค่าราคาเพราะมันปลอดภัยเข้าใจัหมนักบวชอยู่ในปา่าไม่มีที่หลบที่ซ่อน อยู่ใต้โคนไม้อยู่ในถ้าถ้ามีของมันมีค่าเดี๋ยวโจรมันก็มามาป้อนมาจี้มาฆ่าได้ก็เลยต้องมีแต่ของที่ไม่มีคุณค่าราคาถึงจะปลอดภัยถึงจะอยู่ในป่าได้เพราะคนที่ต้องการที่จะหลุดออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายนี้จาเป็นจะต้องอยู่ในป่าในเขา ที่มันสงบสงดวิเวกที่ไม่มีอะไรมาคอยรบ ก, กวนใจอพออยู่ในป่านี้ยเขาก็ต้องอยู่แบบขอทานอยู่แบบไม่มีทรัพย์สมบัติถ้ามีทรัพย์สมบัติเดี๋ยวโจรผู้ร้ายมันรู้มันก็จะมาป้นมาเจาะ อ, อันนี้ไม่ปลอดภัยพระุาจารยถึงสอนให้พระอย่าใช้ของที่มีคุณค่าราคาให้ใช้ของที่ ไม่มีใครต้องการเช่นผ้าหอ่อศพเนี่ยไม่มีใครอยากได้ยาก็ให้ใช้ยาน้ำมูดเน่ายาดองน้ำปัสสาวะเวลาไม่สบายก็ให้หยิมดื่มยาดองน้ำปัสสาวะอาหารก็ให้อาหารไปขอแบบขอทานไม่ต้องเก็บสะสมหาอาหารเฉพาะมือ้อกินวันนี้กินหมดถ้ามีเหลือก็ ให้คนอื่นไปหรือให้สัตว์ไปไม่ให้เก็บสะสมไว้จะได้ไม่มีใครมารบกวนที่อยู่อาศัยก็อยู่เนี่ยตามธรรมชาติไม่มีใครจะมาขออยู่ด้วยถ้าสร้างครลิหารไว้ในปาน่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวเพื่อนฝูงพี่น้องก็จะมาขอ อ, อาศัยกลายเป็นรีสอร์ทไปแต่ถ้าถ้าอยู่แบบธรรมชาตินี้ไม่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงจะมาขออาศัยอยู่ด้วย นี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าในการที่จะทำให้อยู่แบบไม่มีใครมาลบกวนใจถ้าเรามีสมบัติเสียเดียวญาติพี่น้องไม่รู้โผมาจากไหนเพื่อนฝูงไม่รู้โผลมาจากไหนกันแต่ถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีใครเข้ามาหาเราเหรอกถ้าเราอยากจะไม่ให้ใครมาลบกวนใจเราเราก็ต้องอยู่แบบขอทานเขาจะไม่อยากเจอเราเพราะกลัวเราจะขอทานเขาไม่ใช่อะไร อันนี้นะเป็นอุบายของนักปราชญ์ที่ต้องการที่จะอยู่คนเดียวอยู่อย่างสงบไม่ให้ใครมาลบกวนใจเพื่อที่จะได้มาเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อหยุดความอยากเพื่อกําจัดความอยากให้หมดไปจากใจพอได้อยู่คนเดียวได้รู้ได้ศึกษาได้รู้วิธีว่าการที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายนี้ต้องหยุดความอยาก หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหยุดความไม่แก่หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหยุดความอยากเป็นนั่นเป็นนี่เวลานั่งสมาธิก็หยุดมันได้ชั่วคราวพอจากสมาธิพอมันคิดอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็หยุดมันด้วยสติพุทโธพุทโธไปจับเข้าไปในสมาธิใหม่ มันก็จะสงบแนละ้วมันก็จะไม่ทุกข์ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ทำอย่างนี้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังลงเพราะเราจะไม่ส่งเสริมมันเพราะเรารู้ว่าการทําตามความอยากจะทําให้เราอยากไปเรื่อยๆอันนี้เป็นวิธีที่พระเจ้ากำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปความอยากที่จะพาให้มาเกิดแก่เจ็บตายหมดไป ก็เลยไม่มีการมาเกิดเด็กต่อไปหลังจากที่ร่างกายของพ่อพระพุทธเจ้าตายไปก็จบเป็นร่างกายสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายการเกิดไม่มีอีกต่อไปเพราะว่า เ, ออเห็นด้วยปัญญาว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์ทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่จะไม่เกิดได้ก็ต้องมีสติสมาธิปัญญา ที่จะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่พามาให้มาเกิดกันนี่แหละคือเรื่องของวัธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนมาที่ตรงนี้ไม่ได้สอนให้ไปร่ารวยไม่ได้สอนให้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆก็บอกว่าเวลาปฏิบัติมันจะต้องผ่านสถานที่เหล่านี้การที่จะไม่กลับมาเกิดี่ก็ต้องผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนถึงจะ หยุดการมาเกิดได้แต่ไม่ได้ไปหยุดที่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เพราะถ้าไปหยุดที่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เดี๋ยวก็บุญหมดก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ <c oughs> ให้ไปให้ถึงจุดสุดท้ายคือให้ปฏิบัติแบบนักบวชต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแบบนักบวชต้องรักษาศีลตลอดเวลาต้องเจริญสติตลอดเวลา ต้องนั่งสมาธิบ่อยๆมากๆแล้วต้องใช้ปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากให้ฝืนความอยากไม่ให้ทำตามความอยากถ้ามีปัญญามีสมาธิก็จะฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหมดไปจากใจพอหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาดึงใจให้มาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป น, นี่คือเรื่องของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายนี่เองพระพุทธเจ้าได้ออกไปแล้วแล้วก็เลยส่งคู่มือมาให้พวกเราว่า น, นี่คือวิธีที่จะพาพวกเราได้ออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายคือต้องไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปอยู่คนเดียว ต้องตัดการการอยู่กับคนอื่นเพราะอยู่กับคนอื่นแล้วมันจะผูกพันมันจะติดแล้วมันจะไม่ไม่สามารถไปปฏิบัติได้ น, นี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจถึงความหมายคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสอนให้พวกเราทำอะไรกันถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าสอนให้เราออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้เอง ถ้าเราเข้าใจเราก็จะไปปฏิบัติกันไปบวชกันแล้วเราในที่สุดเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิิรพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อจะได้หลุดออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวหาปุราปะเรปุเลนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอ e ุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตูสังกปา จันโทปนะหราโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพารโขวินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีขายุโกภว อภิวาทนาสีดิตสนิจังวุธาปัจจายโนจตารโธรมมะวะทานติอายุวันโนสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e b o o k เข้ามา351 y o u t ห้า127อยหนึ่งยเจ็วิทยุ47เจ รับฟังบนเขาสี่สิบคนรวมทั้งหมดห้าร้อยหกสิบห้าครับออคนเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีอีกสิ่งใ ด, ดเหนี่ยวเป็นเพราะอย่างไรและจะทำอย่างไรคะเพราะความอยากเนีอยากอยากมีนั่นมีนี่อยากอยู่ใกล้คนนั้นคนนี้อยากได้ยินเสียงอยากได้เห็นรูปพอมันไม่มีเสียงไม่เห็นไม่มี ไม่มีเสียงได้ให้ให้ฟังไม่มีรูปให้ดูมันก็เลยเหงา mm. คนที่อยู่คนเดียวได้เพราะเขาหยุดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการฝึกสติทำใจให้สงบพุทโธพุโทพโธมันก็จะหยุดความคิดความอยากที่จะไปหาคนนั้นมีคนนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราพอเราหยุดมันได้ใจสงบเราก็มีความสุขอีกแบบหนึง่งความสุขที่เกิดจากความสงบ ทำให้เราอยู่คนเดียวอย่างสบายเั mm ็น hmm. ถ้าอยากจะอยู่คนเดียวเราต้องฝึกสติ mm hmm. ฝึกสมาธิให้มากๆ mm hmm. รู้เหตุใดเร า, mm hmm. เ, ราเรารู้ว่าความอยากไม่ดีแต่ก็ยังตัดไม่ได้คะอาจารย์เราไม่มีกําลังไม่มีมีดไม่มีเครื่องมือพ mm hmm. ระพุทธเจ้าจึงบอกให้เรามาสร้างเครื่องมือคือสติปัญญา mm hmm. ให้เราฝึกสติพุโทโธพุโทโธคอยหยุดความคิดหยุดความอยาก mm hmm. เราใช้ปัญญาสอนใจว่าการทําตามความอยากไม่ดีทําไปสู่เรื่องวุ่นวายต่างๆถ้าเรามีสติมีปัญญาต่อไปแล้วก็จะหยุดความอยากได้แล้วการป่วยคนที่มีอาการป่วยต่างๆเค่นมีอาการร้อนมีอาการหนาวจิตกับกาย แยกกันแต่เหตุใดจึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้คือถ้ามันเป็นทางร่างกายถ้ามีถ้ามีสติแล้วก็มีสติปัญญาเราก็จะสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายได้เพราะใจเป็นเหมือนหมอส่วนร่างกายเป็นเหมือนคนไข้แต่ใจตอนนี้ไปหลงคิดว่าตนเองเป็นคนไข้ก็เลยไปเจ็บกับคนไข้ไปเจ็บกับร่างกายแต่ความจริงใจนี้เป็นเหมือนหมอร่างกายนี้เป็นเหมือนคนไข้ใจเป็นคนดูแลร่างกาย ร่างกายไม่สบายก็หายาให้มันกินแ ต, แต่ใจไปหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยไปเจ็บกับร่างกายเพราะไม่อยากให้มันเจ็บอยากให้มันหายแต่ถ้าเป็นใจถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่าไปอยากไม่ได้อยากแล้วมันจะทำให้ใจทุกข์มันจะหายไม่หายก็เรื่องของมันรักษาไปถึงเวลามันก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปอย่างนั้นใจก็จะไม่ทุกข์กับมัน ก็คุณค่ะอาจารย์มันกลอยากระทำไหมอาเซินถามได้การเปลี่ยนฐานพระชานะคะว่าเอ๊ะเราเนี่ยบางทีอ่ะทำไงถึงจะตัดใจจากเขาเรียกว่าจากคนที่ดีหรือว่าอะไรที่เราชอบเรารักได้อะคะก็ต้องมีสติมีปัญญาไงต้องฝึกสติตอนนี้ใจเราไม่มีกำลังที่จะตัด รู้อยู่ว่ามันไม่ดีหรือว่าติดเขาแล้วเดี๋ยวเกิดเวลาเขาเปลี่ยนไปหรือเวลาเขาจากไปเราก็จะเสียใจแต่เราไม่มีกำลังที่จะแยกตัวเราออกจากเขาตัวที่จะช่วยเราให้แยกออกจากสิ่งต่างๆได้ก็คือสตินี่ฉะนั้นไปฝึกสติพุโทโธพุโทโธแล้วก็ต้องไปนั่งสมาธิให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธิได้ ตอนนั้นจิตจะแยกออกจากทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวแล้วพอเราออกมาเวลาเราเจออะไรพอจิตจะไปชื่อไปผูกพันเราก็ใช้ปัญญาดึงกลับได้ว่าอย่าไปยุ่งดีกว่ายุ่งแล้วเดี๋ยววุ่นวายเพราะไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเีย่ยไปยุ่งกับเขาแล้ว เ, เดี๋ยวเกิดเขาเปลี่ยนไปหรือเขาจากเราไปเราก็จะเสียใจเราก็จะมีกําลังแยกเพราะเราแยากได้แล้ว เพียงแต่เราต้องการเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเขาเหตุผลก็คือปัญญาว่าทุกอย่างที่เราไปยุ่งมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้เวลามันเปลี่ยนแปลงหรือมีการจากกันมันจะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจถ้าเราไปผูกพันถ้าเราไม่ผูกพันเราจะไม่เสียใจ เขาจะอยู่เขาจะไปก็เรื่องของเขาแต่คบกันได้ทำอะไรร่วมกันได้แต่ใจไม่ไปผูกวันเหมือนเมื่อก่อนถึงเวลาแยกก็แยกกันถึงเวลาอยู่ก็อยู่ได้กันได้แต่อยู่แบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรหย ด, ดน้ำบนใบบัวยังไม่ซึมเข้าหากันไม่เหมือนกับหยดน้ำบนกระดาษพอหยดน้ำบนกระดาษมันก็จะซึมกันเป็นเนื้อเดียวกัน คนที่ไม่มีสติปัญญาพอไปเจออะไรไปผูกพันกับอะไรมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอเกิดเวลาแยกกันก็จะเกิดความเสียใจขึ้นมาเพาะฉะนันทำฝึกสติให้มากๆหัดนั่งสมาธิให้บ่อยๆแล้วพยายามคิดทางปัญญาอยู่ได้เล ย, เยว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้นแน่นอนทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับอะไรไม่ว่าเป็นคนหรือเป็นข้าวของหรือเป็นสถานการณ์เหมือนกันทั้งนั้นมีเกิดมีดับ ม, มีมามีไปมีขึ้นมีลงควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ อ, อาจจะควบคุมได้บังคับได้บางเวลาแต่ไม่สามารถครวบคุมได้ตลอดเวลาเข้าใจไหมเข้าใจปวดได้เลย วันนี้ข้อขนี้ก่อนอข้อเดียวเอาไปปฏิบัติก่อนเนาะ <c oughs> ทําให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันมาพยายามฝึกสติพุทธโธพุทธโธอย่าให้คิดด้เรื่วย <c oughs> ใจเราชอบลอยชอบเพ้อเจ้อเพ้อฝันอยู่เรื่อยฝ <c oughs> ันถึงงานในฝันถึงอนาคตเนี่ยแล้วก็ดีใจเสียใจไปกับความฝันนี่แหละไม่ได้อะไรได้แต่ความหลงได้แต่ความอยากได้แต่อุปทานความอยาก <c oughs> พอได้อะไรมาที่รักที่ชอบก็ยึดติดทันที แล้วพอเกิดการจากกันก็เสีย อ, อกเสียใจไม่มีสติไม่มีปัญญาต่อไปคาถามจากทางบ้านนะครับทางลานจากคุณทีเคเวลาที่ทำงานทางธรรมหรือกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาจะรู้สึกมีความสุขแต่เมื่อกลับมาทำงานทางโลกจิตใจและอารมณ์แกว่งไปมาสลับสุขกับทุกข์ คนที่ทำงานบอกว่าหนูเป็นคนใจเย็นไม่ค่อยตอบโต้ใครแต่หนูว่าหนูมีความอดทนสูงมากกว่าแต่บางครั้งก็หลุดโทสะออกมาจากการทำงานร่วมกับคนอื่นแสดงว่าหนูสติไม่มากพอและความอดทนที่คิดว่ามีเรียกว่าเป็นสติไหมคะมีแต่มันไม่ต่อเนื่องมันขึ้นๆลงๆ เวลาไหนมีสติเวลานั้นใจก็เย็นเวลาไหนเพอสติใจก็ร้อนขึ้นมาได้เห็นพยายามฝึกสติต่อไปสติยังไม่แบบสม่ำเสมอไม่สเสถียรสติยังมันแบบขึ้นๆลงๆอยู่บางเวลาเราก็มีสติดีใจเราก็เย็นอดทนได้อะไรจะเกิดขึ้นก็เฉยได้แต่บางเวลานี่สติน้อยความอยากมากอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธขึ้นมาได้ วุ่นวายใจขึ้นมาได้ปัญหาก็อยู่ที่สติเราไม่ไม่ต่อเนื่องไม่สถียนพยายามทำให้มันเสถเียนทำให้มันมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วต่อไปเราก็จะเย็นสบายกับเหตุการณ์ต่างๆคำถามต่อไปจาก ทางอินบ็จากผู้ไม่ประสองค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับผมถูกคนรักหลอกลวงนอกใจแล้วเลิกกันแต่ใจยังวนเวียนคิดถึงไม่เคยหยุดมาหลายเดือนคิดถึงสิ่งดีๆของเขาบ้างสิ่งแย่ๆที่เขาหลอกลวงเราบ้างมเมื่อคิดได้ว่านิสัยใจคอคนเราก็ไม่เที่ยงรูปร่างหน้าตาก็ไม่เที่ยงแท้จริงตัวตนของเขาก็ต้องดับสลายไปก็คลายความทุกข์ลงไปแต่แล้วก็ กลับไปวนคิดถึงเขาอีกคิดถึงรักบ้างแค้นบ้างโกรธบ้างแต่ก็รู้ว่าไม่ดีทรมานใจมากครับทําอย่างไรจึงจะตัดขาดวางลงได้จริงๆเสียทีครับนั่งสมาธิก็ฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิเลยครับก็ต้องใช้สติก่อนเนี่ยสติไม่มีกําลังหยุดความคิดไม่ได้เห็นพอเราจะคิดอะไรนี้เราต้องบังคับให้มันพุโทโธพุโทโธไปแทน พอจะไปคิดถึงเขาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสู้กับมันไปมันจะดื้อไปคิดถึงเขาก็เราก็พุโทโธพุโทโธอย่าหยุดมันเดี๋ยวถ้าเราชนะถ้าพุโทโธชนะแล้วเดี๋ยวความคิดที่จะไปคิดถึงเขาก็จะเบาลงแล้วถ้าใช้ปัญญาสอนใจว่าเห็นไหมเนี่ยเวลาคิดถึงเขาเป็นยังไงเวลาไม่คิดถึงเขาเป็นยังไงอดูผลสิคิดถึงเขาแล้ววุ่นวายใจร้อนใจทุกข์พอไม่คิดถึงเขาได้แล้วสบาย เราต้องเห็นคุณแห่งโทษของการความคิดของเราเมื่อเราเห็นโทษว่าคิดแบบนี้ไม่ดีดูหยุดคิดดีกว่าเราก็จะมีกำลังใจที่จะใช้สติใช้พุทโธ ท, ที่จะพยายามหยุดมันแล้วต่อไปเราก็หยุดมันได้แล้วต่อไปเวลามันผ่านไปผ่านไปมันก็จะลืมเลือกลืมเขาไปได้ต่อไปถ้าเราไม่ไปคิดถึงเขาไม่ไปเจอเขา ถ้าไม่อยากจะไปคิดถึงเขาไม่อยากจะไปอยากไปเจอเขาบ่อยๆถ้าเจอก็ต้องคิดถึงความเจ็บช้มที่ได้จากเขาจะได้เข็ดจะได้จำส่วนใหญ่เข็ดแล้วไม่จำกันเดี๋ยวเดียวก็ลืมความทุกข์ที่ได้จากเขานี่เดี๋ยวเดียวก็ลืมพอเขามายิ้มให้หน่อยมาพูดดีๆหน่อยก็ใจอ่อนเ <c oughs> พราะเราเหงาไงเราอยู่คนเดียวไม่ได้ เราก็เลยต้องมีเขาอต่ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิได้เราสามารถมีความสุขอยู่ตามลาพังได้เราก็จะไม่สนใจใครจะมาดีกับเรายังไงจะมาล่ออะไรเราเราก็ไม่เอาเพราะเราเป็นปลาที่ฉลาดเห็นว่าเหยื่อที่มันติดอยู่นั่นมันมีเป็ดติดอยู่ด้วยถ้าไปฮุบเหยื่อแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องถูกเป็ดเกี่ยวปากเรา ทุกสิ่งทุกอย่างความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนนั้นก่อนนี้มันมีความทุกข์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราไปฮุบปั๊บเดี๋ยวก็ต้องไปทุกข์กับเขาทันทีต่ อ, อ, อไปครับคำถามจากคุณนิตติ้งกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากถามว่าการนั่งสมาธิแล้วจะออกจากสมาธิทำอย่างไรถึงจะถูกต้องที่สุดคือโยมนั่งพอถึงเวลาตามที่เคยนั่งครบ ครึ่งชั่วโมงรู้สึกวูบเหมือนถูกดึงให้ถอยหลังกลับมาแล้วเนื้อตัวก็คลายออกมาแบบเบาตัวไม่ทราบว่าเป็นอาการถอยออกจากสมาธิเองหรือเปล่าคะความจริงท่านั่งสมาธิแบบไม่ตั้งตั้งเวลาได้จะดีกว่าตั้งสติดีกว่าให้มีสติควบคุมความคิดแล้วพอจิตสงบความมันไม่คิดจิตก็นิ่งสงบ แล้วมันจะอยู่ได้ไปตามกำลังของสติพอสติอ่อนกำลังลงความคิดก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาอีกถ้าเราอยากจะนั่งต่อเราก็เจริญสติต่อไปพุทโธใหม่แต่ถ้าเราอยากจะเลิกอยากจะเลิเกเราก็ลุกเราก็ลุกขึ้นมาลืมตาขึ้นมาแล้วก็ขยับมาที่ร่างกายขยับร่างกายเคลื่อนไหวให้ร่างกายแล้วก็ไปทำอะไรต่อไปตามที่เราต้องการ แต่ถ้าเราอยากจะรักษาสมาธิที่เราได้หลังจากออกจากสมาธิเราก็ต้องรักใช้สติคอยควบคุมความคิดต่อไปเพื่อเวลาคราวหน้าเวลาจะนั่งใหม่มันก็จะได้สงบได้ง่ายถ้าเราไม่มีสติไม่รักษาไม่ใช้สติรักษาใจเวลาออกจากสมาธิครั้งต่อไปเวลาจะนั่งก็อาจจะสงบยากหรือไม่สงบเลยก็ได้คาถามต่อไปจากคุณชนชัย กราบนมัสรรการขออนุญาตกราบเรียนถามครับถ้าถูกสาบลงมาจะมีพิธีแก้คำสาบอย่างไรครับเออคำสาบนี้ไม่มีไม่มีไม่มีผลคำสาบนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่สาบใครไม่ได้หรอกสิ่งที่สาบเราได้คือกรรมท่านั้นกรรมดีกรรมเชื่วเราทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว เราต้องเป็นผู้รับผลของกรมนั้นเพรันคำสาบที่แท้จริงก็คือการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจทำทางทำทำทำบุญก็จะได้ผลดีได้ความสุขทำชั่วก็จะได้ผลเสียได้ความทุกข์เฉะนั้นไม่มีใครสาบได้ไม่มีใครแช่งหรือมีใครให้พรเราได้อย่างพระให้พรนี้ก็ไม่ได้ให้พรโยมหรอกเพียงแต่แสดงความยินดีในการทาความดีท่านั้นเอง เพรานพรนี้ให้ไม่ได้สาบก็ให้ไม่ได้เราต้องเป็นคนให้พรตัวเราเองด้วยการกระทําของเราเราต้องสาบตัวเราเองด้วยการกระทําของเราเองคนอื่นสาบเราไม่ได้ให้พรเราไม่ได้มีกรรมเท่านั้นท <plex aer helmet> ี่เป็นผู้ที่จะสาบเราหรือให้พรกับเราเรามีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น คำถามต่อไปจากคุณวิศวัต์กลาบนมัสการครับมีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งพยายามปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ตามสภาพครับเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อสติจับกับอารมณ์ก็หายไปทันทีแบบนี้ปฏิบัติถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถูกต้องแต่เป็นแบบปฏิบัติแบบมวยวัดคือไม่มีขั้นตอนที่ถูกต้อง การปฏิบัติสติปัฏฐานนี่ก็มีขั้นตอนเหมือนนักมวยนี่เขาจะชกมวยนี่เ็ามีขั้นตอนนักกีฬาจะตีกอล์ฟตีเทนนิสนี่เขามีวิธีการแต่ถ้าเราไม่ทาตามขั้นตอนทาตามความรู้สึกของเราเราก็ทําได้แต่มันจะไม่ได้ผลเลิมถ้าตีกอล์ฟอยากจะตีก็ไปตีหยิบไม้มาก็ก็เหวี่ยงมันก็เหวี่ยงได้มันก็ตีได้ มันจะไปแข่งขันกับเขามันจะสู้เขาไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติสตินี้ถ้าให้เริ่มสติปทานนี้ถ้าให้เริ่มมีสติที่ร่างกายให้เฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอย่าให้ใจไปอยู่ที่อื่นให้เฝ้าดูที่ร่างกายแล้วพอเวลาว่างก็ให้นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องที่จะพาให้เราเก้าวขึ้นไปสู่ธรรมที่สูงขึ้นไปได้ต่อไป คำถามที่สองเมื่อปฏิบัติดูจิตตานุปัสสนารู้สึกเหมือนแยกเป็นสองคนตลอดสติมีอีกคนสติหายก็อีกคนแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับไม่ถูกแล้วดูจิตไม่ได้ดูคนแยก ดูอารมณ์ของจิตว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเกิดมันดับเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เราต้องสอนจิตให้รับกับอารมณ์ต่างๆได้อย่าไปดีใจเสียใจอย่าไปยินดียินร้ายกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ถึงบอกว่าปฏิบัติแบบมวยวัดเนี่ยนึกอยากจะดูจิตก็ดูจิตนึกอยากจะดูอะไรก็ดูแล้วก็ไม่รู้ว่าดูอะไรดูไปเพื่ออะไรงั้นกลับไปศึกษาให้มันถูกดีกว่าเดี๋ยวจะกลายจะ มันจะไม่เกิดประโยชน์และอาจจะเกิดโทษต่อไปก็ได้คําถามต่อไปจากคุณพีโกเรียนถามพระอาจารย์ครับขอวิธีให้เกิดสติที่ีครับพุโทโธให้ถี่ีไปเลยพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดพุโทโธอย่าปล่อยให้พุโทโธมันว่างจากใจพุโทโธที่ถี่มันสติมันก็ถี ท, ทีตามขึ้นมาสติเกิดจากการเจริญพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเนี่ย คำถามต่อไปจากคุณชนะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะลูกมีบุตรสองคนอายุ1ิปีและส2องปีทั้งสองคนเมื่อพาเข้าวัดก็ไม่สนใจไม่ยอมไหว้พระไม่สวดมนต์เมื่ออยู่บ้านให้นั่งไหว้พระกับลูกเขาก็จะนั่งเฉยไม่ยอมสวดแบบนี้ลูกควรบังคับให้ทำต่อไปเรื่อยๆหรือควรให้เขาทำเมื่อเต็มใจดีคะ ถ้ายังเป็นเด็กอยู่ถ้าบังคับได้ก็ควรจะบังคับควรจะสอนแต่ถ้าสอนแล้วบังคับแล้วเขายังไม่ทําก็ต้องปล่อยไปแล้วอาจจะสอนไม่เป็นวิธีสอนอย่าไปบอกเขาทำเลยเราต้องทําให้เขาดูเวลากราบพระอย่าบอกลูกกราบพระกราบพระแล้วแม่ก็ไม่ได้กราบอย่แม่ต้องกราบก่อนะ ลูกมาดูแม่แม่กราบพระอย่างนี้กราบอย่างนี้ทำอย่างนี้ลูกก็จะทําตามอะไรที่เราทําเขาไม่ทําตามที่เราพูดหรอกเหมือนแม่ปู่สอนลูกปู่ใช่ไหมแม่ปู่สอนลูกเดินตรงๆนะอย่าเดินเฉไปเฉมาแลเดี๋ยวแม่เดินยังไงแม่ก็เฉยไปเฉมาลูกมันก็เลยเดินตามแม่แม่ทำอะไรอย่างไรมันก็จะทำอย่างนั้นถ้่อยากจะลูกสอนลูกเราต้องทาตัวเราเป็นตัวอย่าง แ ล, แล้วเขาเห็นเขาก็จะทำตามที่เราทำถ้าเขาไม่ทำก็ถือว่าช่วยไม่ได้ซะแล้วเป็นแสดงว่าเป็นคนที่ไม่รับความดีต่างๆก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเขาไปเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วทำถูกต้องแล้วตอนนี้เรายังทำไม่ถูกทานเรเพียงแต่พูดแต่บอกการสั่งการสอนด้วยการบอกก็ไม่มีพลังเหมือนกับการกระทำส อ, อนลูกอย่า ก, กินเหล้าอย่าสูบบรีแล้วแม่ก็กินเหล้าสูบบรีต่อหน้าลูกนี้ ลูกมันจะไม่เชื่อ้วคำถามต่อไปครับผมจากคุณบริสราเป็นคำถามสุดท้ายนะครับรู้ว่ายังมีอารมณ์หดหูอยู่ข้างในใจแต่ระงับอารมณ์ดังกล่าวนั้นด้วยการกำหนดสติอยู่กับลมหายใจทำให้อารมณ์หดหูดังกล่าวไม่ปรากฏแต่โยมรู้ว่ายังมีอยู่อย่างนี้ถือว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็ถูกในระดับหนึ่งต้องทาต่อไป ให้ไปนั่งสมาธิให้จิตมันสงบนิ่งเต็มที่แล้วมันจะหายหดหูไปนานแล้วทุกครั้งที่มันจะเริ่มหดหูก็นั่งสมาธิใหม่ใช้สติใหม่ทำไปเรื่อยๆต่อไปโอกาสที่จะมีอารมณ์หดหูก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆใจจะเย็นจะสงบจะสบายไปมากขึ้นไปตามลำดับอยู่ที่การจเจริญสติสมาธิและปัญญาของเราเอาลนะวันนี้เวลาก็หมดพอดี